สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์สวัสดีวันจันทร์ครับพี่น้องครับพระธรรมฮิบรูบทที่สิบข้อที่สามสิบสองจนถึงข้อสุดท้ายคือสามสิบเก้าโปรดฟังโระชนะของพระเจ้าฮิบรูบทที่สิบข้อที่สามสิบสองถึงสามสิบเก้าแต่ท่านทั้งหลายจงรละลึกถึงคราวก่อนนั้นหลังจากที่ท่านได้รับความสว่างแล้วท่านได้อดทนต่อความยากลาบากอย่างใหญ่หลวง บางทีท่านก็ถูกประจานให้อับอายขายหน้าและถูกข่มเหงบางทีท่านก็ร่วมทุกข์กับคนที่ถูกข่มเหงนั้นเพราะว่าท่านทั้งหลายมีใจเมตตาต่อผู้ต้องโทษเหล่านั้นและเมื่อมีคนปล้นทิงชรับสิ่งของของท่านไปท่านก็ยอมให้ด้วยใจยินดีเพราะท่านรู้แล้วว่าท่านมีทรัพย์สมบัติที่ดีกว่าและถาวรกว่านั้นอีกเฉพนั้นขออย่าได้ละทิ้งความไว้วางใจของท่าน ซึ่งจะได้รับบําเหน็จอันยิ่งใหญ่ท่านังหลายจำเป็นต้องมีความอดทนเพื่อว่าท่านจะได้สา ม, มารถกระทําตามน้ำพรทัยของพระเจ้าได้แล้วท่านจะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นั้นอีกไม่นานพระองค์ผู้จะเสด็จมาก็จะเสด็จมาและไม่ทรงชักขาแต่คนชอบธรรมของเรานั้นดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อและถ้าความเชื่อของเขาเสื่อมถอยเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยแต่ท่านังหลาย ไม่ใช่คนที่เสื่อมถอยและถึงซึ่งความพินาศแต่เป็นคนที่เชื่อมั่นจึงทำให้ชีวิตปลอดภัยเพียงครับในเช้าวันนี้เรามาอยู่ในบทที่สิบนะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายในวันพรุ่งนี้เราจะขึ้นบทที่ยิ่งใหญ่มากก็คือบทที่สิบเอ็ดนะครับแต่ผู้เขียนฮีบรู ก, กาลังปูทางไปถึงบทที่สิบเอ็ดก็คือผู้เขียนฮีบรูนั้นทำให้พวกเราที่อ่านพระธรรฮีบรู ในยุคทุกยุคทุกสมัยนั้นและลึกถึงนะครับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทําให้กับเราเวลาที่เราได้รับความสว่างนั่นก็คือเราได้บังเกิดใหม่ในสมัยก่อนนั้นการที่จะเป็นคริสเตียนไม่ใช่ง่ายเพราะว่าจะต้องรับการถูกกล่มเหงิบางคนถึงขนาดจะต้องถูกอับเปหิพี่น้องครับในสมัยนี้ในกลุ่มของพวกเราอาจจะยังไม่มีเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ ในปัจจุบันในสมัยนี้ในประเทศต่างๆครับที่ถือศาสนาที่ค่อนข้างจะรุนแรงก้าวร้าวคนที่เปลี่ยนมาเป็นคริสเตียนหรือนับถือองค์พระเยซูคริสต์ก็จะรับการถูกค่มเหงมากมายมหาศาลทีเดียวบางคนบางครอบครัวถึงขนาดที่ว่าจะต้องอบพยพมาเป็นผู้ลี้ภัยเสียด้ยซ้ำท่านผู้เขียนทีบรูนั้นบอกว่าหลังจากที่คนที่เป็นคริสเตียนนั้นนะครับ ได้กลับใจแล้วคนคนนั้นจะต้องผ่านผ่านอะไรครับผ่านความทุกข์ยากลําบากครับผ่านการถูกประจานนะครับผู้เขียนได้เตือนความจําของพวกเราว่าหลายคนหลายคนในพวกเราก็ได้เจอกับการข่มเหงครับบางคนถูกประจานบางคนถูกเข้าใจผิดผเพียงครับคําว่าประจานนั้นภาษากรีกน่าสนใจครับเป็นคําเดียวกับคําว่าเทอเตอร์นะครับเทอเตอร์ก็คือโรงหนังเทยเตอร์อย่างนี้นะครับ ภาษากรีกมาจากคาว่า theatrio t h e a t r o, o ซึ่งเป็นที่มาของคาว่า theater พี่น้องครับในสมัยนั้นนะครับตามบริบทแล้วผู้เชื่อซึ่งเป็นคริสเตียนจะถูกพวกโรมันจับเข้าไปอยู่ในอัตจันนะครับเพื่อสู้กับสิงโตหรือเพื่อสู้กับพวกนักรบแกลเเตอร์นะฮะพี่น้องหลายหลยท่านอาจจะดูหนังโรมันก็จะรู้ว่านักรบแกลเเตอร์นั้นหมายถึงอะไรพี่น้องครับในบริบทนี้ ทำให้เราเข้าใจคําว่าประจานครับประจานนั้นก็คือเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่ทําให้เราท้อแท้ใจเพียงครับการที่ผู้เชื่อทั้งหลายนะครับจะต้องถูกจับเข้าไปอยู่ในอัถจันทร์นะครับเพื่อที่จะตายครับเพียงครับพ่อพีบอกว่าไอข้อยชามสามสี่บอกว่าพวกเขานั้นมีใจเมตตานะครับมีใจเมตตาต่อผู้เขียนฮีบรูนะครับซึ่งในที่นี้น่าจะหมายถึงท่าน อัครทูตเปาโลในเมื่อข้าพเจ้าต้องถูกจองจําและเมื่อมีคนปล้นชิงเอาทรัพย์สินของท่านไปท่านก็ยอมให้ด้วยใจยินดีเพราะท่านรู้ว่าท่านมีทรัพย์สมบัติที่ประเสริฐกว่ามากนักและถาวรกว่ามากนักในสวรรค์พระคัมีตอนนี้หนุนใจผมมากครับและครั้งทีเดียวในชีวิตของเราหลายหลาคนก็เป็นห่วงเป็นห่วงว่าเราจะทําอย่างไรต่อไปเราจะมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราอย่างไร เราต้องจะสมทับสมบัติให้มากที่สุดในโลกนี้ในขณะที่พระกัมภีร์บอกว่าย่าทำสมทับสมบัติในโลกนี้ความรู้สึกขัดแยง้งกันกับพระกัมพีระหว่างโลกกับพระกัมพีนะครับโลกกับสวรรค์ น, นั้น <c oughs> เกิดขึ้นตลอดเวลาพี่น้องครับพระคัมพีตอนนี้หนุในใจเราครับว่าเรามีทัสมบัติที่ประเสริฐกว่าและถาวรกว่าในสวรรค์พี่น้อครับพระเยซูสอนครับว่า ย่าสะสมทรัพย์สมบัติในโลกนี้จะแต่จงสะสมทรัพย์สมบัติบนสวรรค์พี่ังครับให้เราใช้เงินที่สูญเสียไปได้นะครับซื้อนะครับซื้อทรัพสมบัติในแผ่นดินสวรรค์กันเถิดเพราะอะไรครับเพราะว่าเราใช้เงินที่อยู่โลกนี้นะครับขยายแผ่นดินของพระเจ้าลงทุนกับงานของพระองค์นะครับถวายทรัพย์เพื่อพันธกิจมิชชั่นการนำวิญญาณต่างๆเหล่านี้ครับพี่น้องเรากําลังสัมสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ซึ่ง ประเสริฐกว่าและถาวรกว่ามากนักเพราะฉะนั้นโซ่ตัวนนะครับหมายถึงการติดคุกหลายหนหลายครั้งของผู้รับใช้พระเจ้านะครับพัมพีเขียนให้พวกเขาระลึกว่าพวกเขาได้มีใจเมตตาต่อผู้รับใช้ของพระเจ้าพระเจ้าก็จะตอบแทนพี่น้องเหล่านี้พียงครับอีกแง่หนึ่งงั้นท่านผู้เขียนพระธรรมฮีบรูท่านกาลังหนุนจิตชูใจพี่น้องนะครับ ในสมัยนั้นรวมถึงสมัยเราด้วยครับว่าเราจะต้องมีสามประการนะครับหนึ่งนะครับในข้อสามสิบห้าอย่าละทิ้งความไว้วางใจของเรานะครับสองข้อสามสิบหกจำเป็นที่จะต้องมีความอดทนนะครับประการที่สามเราจะสามารถทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้สุดท้ายครับเพื่อเราจะได้รับสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ พี่น้องครับอย่าทิ้งความเชื่อนะครับความไว้วางใจที่เรามีในองค์พระผู้เป็นเจ้าพูดง่ายๆก็คือว่าเราได้ทําการตัดสินใจติดตามพระเยซูตลอดไปแล้วอย่าทิ้งครับประการที่สองก็คือจะต้องมีความอดทนอดทนในภาษาเดิมนั้นแปลว่าภาคเพียนอุตสาหะครับเพื่อนะครับเพื่อเพื่อวัตถุประสงค์ประการที่สามเพื่อทําให้น้าพระทัยของพระเจ้าสําเร็จพี่น้องครับ น้ำพระทัยของพระเจ้ามีกับชีวิตของเราแต่ละคนนะครับแตกต่างกันไปให้เราแสวงหาที่จะทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่หลายๆครั้งทีเดียวน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ได้เปิดเผยออกมาทั้งหมดแต่จะเปิดเผยเป็นทีละขั้นทีละตอนเหมือนกับที่น้ำพระทัยของพระเจ้าได้เปิดเผยกับอับราฮัมเรียกเขาออกมาจากเมืองเออพระเจ้าได้ตั้งเป้าหมาย ก็คือแผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าจะมอบให้กับอับราฮัมแต่พระเจ้าก็นำเขาไปทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวและเขาก็เดินตามพระเจ้าด้วยความเชื่อพี่น้องจะเห็นภาพที่สวยงามมากนะครับอับราฮัมเดินไปด้วยความเชื่อแม้ว่าในขณะที่มีความเชื่อหลายๆครั้งทีเดียวในจุดตกต่ำของชีวิตขณะที่จิตตกเขาก็คงจะสงสัยนะครับแต่ความสงสัยนั้นถูกกลืนด้วยความเชื่อครับ หมายความว่าถูกเอาชนะนะครับด้วยความเชื่อและเขาแสดงออกด้วยการเชื่อฟังพี่นครับจากตรงนี้นี่เองนะครับเราถึงจะสามารถทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตยอยู่ในความเชื่อนั้นเราจะต้องมีความเพียรพยายามครับนะครับอดทนต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับและตั้งใจที่จะไม่ทิ้งนะครับไม่ทิ้งพระเจ้าไม่ทิ้งความไว้วางใจในพระเจ้า ในที่สุดแล้วเราจะได้รับบําเหน็จอันยิ่งใหญ่ตามที่พระเจ้าได้สัญญาไว้นะครับผู้เขียนพระธรรมพีบรูจบบทที่สิบนี้ด้วยพระคำพีที่อ้างอิงจากพระธรมพีเดิมนะครับอีกไม่นานพระองค์ผู้จะเสด็จมาก็จะเสด็จมาและไม่ส่งชักช้าพี่น้องครับปรากฏอยู่ในพระธรรมฮาบาคุบทที่สองข้อที่สี่นะครับและอีกข้อหนึ่งครับ แต่คนชอบทำจะมีชีวิตอยู่ดำรงด้วยความเชื่อนะครับจะมีชีวิตดำรงอยู่ด้วยความเชื่อแต่ถ้าบุไดเสื่อมถอยใจของเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยแต่เราทั้งหลายจะไม่อยู่ฝ่ายคนนั้นที่กลับถอยหลังถึงความพินาศแต่จะอยู่ฝ่ายคนเหล่านั้นที่เชื่อจนให้จิตวิ ญ, ญญาณถึงที่รอดพี่น้องครับการรักษาความเชื่อรักษาความรอดของเรานะครับหลายหลาคนก็คิดว่า เชื่อแล้วรอดแล้วรอดเลยรอดตลอ ด, อลอดแต่ครับพี่น้องครับเราจะต้องเราจะต้อง pay the price หมายความว่าเราต้องจ่ายราคานะครับก็คือเราต้องมีความเพียรพยายามอดทนรักษาความเชื่อเราไว้จนถึงที่สุดความรอดจึงบังเกิดผลในที่สุดครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พ่อพีสอนเราในเช้าวันนี้ผมอยากจะบอกครับว่า ในขณะที่เราดําเนินชีวิตอยู่ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเป็นูของพระเจ้านั้นหลายๆครั้งเราถูกประจานนะครับให้อับอายขายหน้าบางครั้งเราถูกข่มเหงนะครับและบางทีเราก็ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องของเราที่ถูกข่มเหงเือครับการเป็นคริสเตียนถามว่าง่ายไหมไม่ง่ายครับยากไหมก็ไม่ยากจนเกินไปเพราะว่าเราวิพระเจ้าที่คอยช่วยเราคอยนําเราเสมอแต่เรานะครับต้อง pay the price ก็คือเราจะต้องจ่ายราคาราคานั้นก็คือความเพียรพยายามความอดทนนะครับการที่เราจะยึดมั่นไม่ละทิ้งความเชื่อของเราเมื่อเราตั้งใจอย่างนั้นแล้วพระเจ้าจะประทานกำลังพระเจ้าจะประทานความช่วยเหลือที่มาจากพระองค์นะครับอย่าลืมครับพระเจ้าผู้ทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์เสมอพระองค์บอกว่าพระองค์จะเสด็จมานะครับพระองค์จะเสด็จมาแน่และไม่ทักช้าแต่ที่เรารออยู่ เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาของพระองค์ยังไม่ถึงเวลาที่สมบูรณ์แบบของพระองค์นะครับยังไม่ถึงเวลาที่น้ำพระทัยของพระองค์จะสำเร็จนะครับพี่น้องครับเราไม่ใช่คนเสื่อมถอยนะครับเพราะคนเสื่อมถอย ถ, อยถึงความพินาศแต่เราจะต้องรักษาความเชื่อมั่นนะครับชีวิตของเราจะปลอดภัยนที่สุดขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องชื่รทุกท่านครับอาเมน